มันถ้าเราพิจารณาสอนมันไม่ทันไม่ถึงไกลนะการทดสอบในคดีทั้งตัณหานี้เนี่ยต่างๆเราจะไปหาคําตอบที่ไหนในคัมภีร์ทั้งหมดมีเอาไว้ทุกเนี่ยทุกเมณฑ์พอเราจะไปหามาตอบให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เราเรียนทําพลนจิตใจดีๆนะเรียนให้มันรู้ถึงเหตุถึงผลภาวะจิตใจทั้งโลกและธรรมกระจ่างกันทั้ง 2 ด้านแล้วเอ้านี่นะ นี่จะคล้องที่ไหนผัดที่ไหนไม่ติดไม่ติดตัวเองก็เท่านั้นแหละมันไม่ติดกับอื่นสําคัญที่มาติดตัวเองมาหลงตัวเองมันดิมันไปไหนล่ะท่านต้องเรียนตัวเองสมบัติเจ้าสอนมันจะแคบๆแค่ล่ะมันเหลือเติมเนี่ยแค่สามัญนะกางกางตัวสอนปฏิบัติกันนี่แหละ เริ่มแรกปฏิบัติงานซึ่งจะกระจายไปทั่วโลกโสมถะให้รู้แจ้งกันตลอดไปประเทษ์ข้ามโรงมหานาคารทาตะเจอนี่แจ้งไปทั่วกันมหานาคารนานตาก็ออกกันนี้ด้วยก่อนมันกระจายไปออกที่นี่ก็กระจายไปทั่วโลกโลกวิภูรู้แจ้งถึงที่โลกโสมถะนี่คืออันนี้ชั้นไหนอันนั้นก็ชั้นนั้นไม่ต้องไปเจอดูเพื่อถามใครอ่ะถึงอันนี้คับเจริญภายในตัวเพราะมันเหมือนกันโลกนี้อันนี้ต่างทุกขังนัตตาเมื่อรู้นี่คับแล้ว 8 ประการนึงรู้ไปหมดเนี่ยแต่ว่าไง จิตมันมีอัตมันมีอัญไม่มีติดข้องตัวอย่างมีอะไรมาปกครองมุมห่อมันดีดตัวได้อย่างคล่องแคล่วเคลียวนะผู้ซึ่งลำดับนั้นทําถึงก็แสดงพุ๊ดๆๆๆๆตังท่านที่เรียนธรรมองค์อย่างนี้นั่นนี่นะที่มาทํามาสอนโลก 81 ธรรมขันธ์ 4000 พระธรรมขันธ์ซึ่งนับเพียงกว่าประมาณเท่านั้นก็ออกจากภาคไทยเนี่ยท่านมาจากที่ต๋าที่ไหนมาเลยเฉพาะธรรมแล้วเรื่องโลกภิกษุตา การทำหน้าพระองค์เป็นสยัมภูทรงนี้เองด้วยการปฏิบัติให้ถึงความจริงโดยพระองค์เองถึงความจริงรู้ความจริงแล้วสอนคนสอนสรรค์โลกทําไมจะไม่จริงผู้ที่หาความจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่ยอมรับฮะความจริงมีอยู่นี่น่ะที่ภาวบออกมาจากพื้นต่างๆพระธรรมหารัฐสรรพค้าเศรษฐีประดุมพีภาวนาคนยากจนจนตายเข้าไปแล้วเป็นสัตว์อายตบุคคลทั้งหมดอืม ใครยังน่าจะน้อยขนาดไหนโป้ไม่เห็นว่านะทั้งโลกมาเกิดเป็นภิกขุประสังฆาเกิดเป็นภิกขุมาเกิดทําวินัยเรากล่าวดีแล้วผู้ทําเรากล่าวดีแล้วจงพุทตนก็ทําซึ่งส่วนทุกข์เกิดถ้าผู้ที่ยังไม่ได้เส้นส่วนทุกข์ผู้ที่เส้นถึงแล้วมาบททีหลังไม่ก็ไม่สงบรักษาอย่างนั้นประธานว่าตีแดงนี้คนที่ถูกมาเกิดทําเรากล่าวดีแล้วคํานั้นครับอืม หมู่คือท่านเนี่ยมาบวชก็มีมีกับท่านท่านน้อยแล้วชาวพวกเหล่านี้ท่านไปเรียนที่ไหนมาพระมหาเถระสอนโลกนั้นแน่นยำนักพระนังคสะฐานินังคามีนั้นรู้ตัวนี้ถ้าท่านไม่เก่งไม่เลิกท่านตั้งนานจิตใจไม่เลิกซึ่งการฟังอบรมสั่งสอนเนี่ยถ้าท่านนังคามีได้มันไม่ถึงใจโลกพอพิจารณาก็นังคามีได้ผมเรียนมาจะมีคําพี่แต่ <ม. S 1> คนไหนมั่งพอดีเป็นพนักงานอาหารนี่ให้เราเค้ากราบว่าเลยฉนิดตังค์มันไม่มีนี่นะนั่นเอาแต่ความจำมาอวดน้ำลายคำนิเสธความจำมันจะเหมือนความจริงเลยความจริงไม่รู้จริงเห็นจริงเพราะธรรมจริงปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงพูดได้จริงๆทำหลักความธรรมชาติที่มันเป็นจริงแล้วใครจะค้านได้ค้านไม่ได้มันต่างกันที่ตรงนี้เพราะได้ระยะนั้นถึงของจริงของจริงทำสมัยท่านโสตการท่านโสตการกับของจริง นี้เหมือนกันทุกขังอนิจจังก็คงเส้นคงวางสมุทัยอนิจจังก็คงเส้นคงวางนิโรธนิโรธอนิจจังก็คงเส้นคงวางมรรคถ้าปฏิปทาอริยสัจจังก็คงเส้นคงวางเอาเดินสิมันมีอะไรบกต้องเลยทําให้มนุษย์เจ้ามันบกต้องมีตัวของเราเท่านั้นล่ะถามคิดตัวของเราไปหามีความสมบูรณ์สติสุขแล้วนอนกายเฉยๆจะเห็นอะไรดียิ่งกว่าเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้า ในขณะเดียวกันก็เห็นอันใดดียิ่งกว่าการตั้งสตินะฟังมันทั้งวันทั้งคืนสติตั้งหน้าเป็นของตั้งหน้าเป็นของบำรุงให้มีความติดต่ออันเดินอนดับจึงมีกําลังแก่กล้าสามารถได้ปัญญาก็หมุนการคิดเลขฝึกเว้นฝึกหัดลําลมพูดคลางเพราะไม่เคยพิจารณาเลขแล้วอะไรมันก็ไม่เข้าใจด้วยเหมือนเราจับไปเตรียมไปพูด เขาทั้งโลกนี่ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นอ่ะคือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นน่ะคือเออเกิดทําความเข้าใจพิจารณาได้ยังไงจิตใจเราก็มืดตึ๊ดคิดเหรอปัญหาทั้งมวลนั้นมันจะไปปฏิบัติฟังหรือพิจารณากันได้ยังไงนี่เวลามันไม่มีกําลังสติสัมปชัญญะยังไม่มีมันเป็นอย่างนั้นกับรู้สึกของเราเราก็พยายามเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ขอให้สติปัญญามันก็ค่อยแสดงกําลังตัวออกมาให้เห็น โดยลําดับลําดับที่มีความกล้าหาญประมุขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาก็ประจักษ์เรื่อยๆเรื่อยๆไปให้สติปัญญาเค้ายิ่งเด่นเด่นเรื่อยๆนั่นการฝึกขณะนั้นขอให้มีความขยันหมั่นเพียรนักบวชต้องเป็นนักอดทนไม่งั้นสอนโลกไม่ได้ถ้าสอนตนไม่ได้คนไม่มีความอดทนคนตัวนั้นไม่มีความมุสาพยายามมีความทราบเตียนเป็นคนขี้เกียจสอนประเด็นก็ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปสอนคนอื่นหาหลักเป็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหลักสําคัญที่สุด ธรรมะที่เลิศออกจากจิตใจต้องอาศัยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นหลักสําคัญเป็นเครื่องมือที่ทําสมัยประโมทลงมาในธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมเราแน่ใจปัญหาที่แย้งไม่ได้ในหัวใจเราปลูกมีมาตั้งสมัยปัจจุบันมาถึงปัจจุบันนี้ทุกวันเวลานี้นักกฎก็มันก็เป็นนิยายซึ่งเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วด้วยความสนใจ ศึกษาสงฆ์ใดสุขความล้นไส้ภัตกรรมฐานก็เริ่มไส้มากตั้งแต่เริ่มต้นเข้าบวชฉะนั้นภัตกรรมฐานมาพักที่ที่วัดเราต้องไปถึงก่อนเพื่อนศึกษาปารศกับท่านท่านโยมฟังมันจับใจติดตามันชอบคนที่ได้ออกมาฐานพอเรียนเสร็จแล้วก็ออกในขั้นเริ่มแรกท่าน แล้วสู่ธรรมะธรรมโมเฉพาะอย่างเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติมันเกิดความครึ้มจนถึงทั้งน้ําตาล่วงไปเลือดเกิดความต้องการขององค์เนี่ยเกิดความอภิฉันในผลขององค์ที่ทรงได้รับด้วยแล้วจิตมันก็มีความก็อยู่อ่าและอ่านประวัติของสาวกองค์นั้นๆที่ออกมาจากคุณต่างๆมาแล้วมาเป็นแบบเดียวกันอ้าวไม่ได้คํานึงถึงเพราะออกจากหัดแทนอะไรทั้งนั้น มุ่งจะอัปเดตทําเพื่อทําข้อทุกข์โดยแต่เดียวองค์ไหนออกมาจากตระกูลใดตระกูลพราหมณ์หาตระกูลเศรษฐีกระดุงขี่ขนาดไหนไม่เอาเรื่องตระกูลมาเกี่ยวข้องเลยเอาแต่หน้าที่ของพระจนเม็ดจนหนึ่งจนได้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วสอนใครได้ไม่แต่ฐานละพานในหัวใจไม่มีอะไรมาติดมาบาง ก็ทักถามกันเลยฟังพูดได้ตามความสะดวกออกมาจากใจที่เปิดเผยอยู่แล้วโดยปกติเราพยายามฝึกที่แรกมันก็ล้มลูกค้าเหมือนกันนะเริ่มแรกจริงๆนี่เป็นกับพระบวชแล้วอยู่วัดอุททานนี้ทั้งกว้างนี่ก็ทหารนี่เราเริ่มสายทางภาวนาถึงเลยมาถามท่านเรียนถามท่านพระครูว่าภาวนาจะทํายังไงก็ผมมีความสงสัยในการภาวนาด้วย คำภาวนาอุปโทนเนี่ยผมก็ทําเวลาไปโทนภาวนาเอาอุปโทโทเรื่องราชรัตนตรัยเราแก้เวลา 1 ชั่วโมงหยุดเจอหนังสือ 1 ชั่วโมงนั่นน่ะทําภาวนาของนั้นเป็นประจําไม่เคยล้นละเพราะนาอุปโทอุปโททําไปก็ไม่ขัดทั้งหมดหลายครั้งเราผลทั้งออกนี่ทีนี้อุปโทโทก็ก็เลยจิตมันแน่วของแน่วพอจิตที่มันค่อยแน่วๆคงไปเป็นลําดับมันเป็นจิตแห่งความสงบใจเหมือนกันนะทําให้เกิดความสนใจสติก็ดีขึ้นมีขึ้น แม้จิตก็ลงถึงที่ตึกโอ้โหพอจิตลงถึงที่ฮื้อทําไมจึงเป็นนี่ตื่นเต้นอ่าจิตใจรู้สึกมีความตื่นเต้นพูดไม่ถูกเป็นเรื่องอัศจรรย์เราคงอนันตกับความตื่นเต้นเนี่ยพอเข้าสภาวะความตื่นเต้นเนี่ยไปรบกวนจิตสบายนะมันถอนตัวไปมาได้สงบลงไปไม่นานนะแต่พอจับได้ชัดเจนถึงเรื่องเอ่อลักษณะของจิตที่ว่าเข้าลงไปแล้วเป็นอย่างไรเนี่ย งรามรรคไปเป็นเลยมาเป็นอริยธัมม์ฉล่ำไปฉล่ำไปพุทโธพุทโธพุทโธนี้พุทโธหายหยับไปเลยจิตก็หยุดตึกเลยลงถึงที่เหรอหาดออกสภาทุกสิ่งทุกอย่างมีเด่นอยู่ตั้งแต่จิตซึ่งเป็น 2 อาการอย่างนั้นแหละมันเกิดความตื่นเต้นเออดีใจอะไรก็แล้วแต่แต่ผู้นั้นก็ไม่เคยเห็นดังนั้นไม่นานเพราะ คงกระทบความตื่นเต้นไปเขย่ากันทั้งนั้นนี่สิได้ตอนต่อมาพยายามทําผลอะไรมันก็ไม่ได้ปุ๊บเกลียดกันทําอะไรจะเอามันอยู่ทุกวันนั่นแหละทํากินประสิทธิภาพผลที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันลืมภาวนาที่เป็นหลักปัจจุบันท่านจะอย่างทุกคนให้เกิดมีเสียมันไปยุ่งกับเรื่องอดีตอารมณ์อดีตนั่นน่ะมันได้เต็มถึงพอจังๆกันๆไปรับต่อยเรื่องอารมณ์อดีตกันมากเข้านะเต็มอี ถ้าเป็นแล้วก็คิดก็เป็นบ้าอยู่แหละขยับเข้าไปอารมณ์ดีๆน่ะจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกคือนี่เลยจะทํายังไงทํายังอยู่นู่นอยู่นอกลืมเสียนะมันป่าวจะออกพรรณนาที่มีทีนี้เราเป็นถึง 3 หมอนเพราะฉะนั้นอาจารย์นิเทศอยู่ถึง 7 ปีนะเป็นเพียง 3 หมอนเท่านั้นเป็นอย่างนั้นน่ะลงถึงขนาดที่เรียกอัตตจันต์เต็มที่ ลองตั้งเต็มที่ละหาดหมดเลยอารมณ์นั้นมันขาดหมดในเวลานั้นมันมีอะไรอยู่เหลือแต่รู้อันเดียวคายทะหายับเลยมันอัตตัญญุนี่เราตั้งเครื่องสังคิดให้มีความติดต่อที่จะออกปฏิบัติกล้าพูดให้มีเครื่องสังได้ไปที่เปิดเผอครับผมนี่จะเรียนจบแค่เรียน 3 ประโยคเท่านั้น คนรักทําได้แค่ไหนไม่สําคัญสําคัญที่ปฏิญาณนี้ให้ได้ 3 ประโยคแล้วผมจะออกอธิบายฉะนั้นไม่ได้บอกนะว่าคนเราที่เคยปฏิบัติมาเป็นเครื่องนิดเดียวน้ําใจด้วยทําให้กลายเป็นท่านเครื่องดุๆเราไม่ได้บอกอยู่เพราะเจ้าท่านโยม 3 แน่นี้อยู่ไม่ได้คําสัตเราตั้งไว้แล้วมาต้องออกเหมือนกับใบไม้มันเหลืองไปหมดผู้ผู้ใหญ่ท่านบังคับไว้ ทำให้ไหลขึ้นมาให้ออกไปนี่แต่เราไม่ค้านคําคําติงภายนอกมันหักให้รับยังไงก็จะต้องออกเท่านั้นถ้าไม่ออกแล้วก็เป็นโมฆะภิกขุสึกษ์คือขาด contact continue ก็เปื้อนอ่ะจะเลื่อนไปสัก 100 ประโยคมันก็ไม่ถึงเกิดประโยชน์อะไรเมื่อถ้าคําตัดสังข์ตัวให้ทิพย์หายมันไปแล้วถ้าจะเกิดยังไงต้องออกไปอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนเรื่องเทวดาช่วยนะเนี่ย มันหนีไม่เถอะเพราะเราอยากออกครอบครัวทีละจะตายนี่ก็เพราะว่าทั้งเด็กที่หาดิวก็ไปเที่ยวทัศนศึกษาทางออกไปต่างจังหวัดเราได้โอกาสตอนนั้นเราเปิดหนีเลยนะฮะเรายังไม่ลืมนะคําสัตยาธิษฐานของเราที่ตั้งนะก่อนตอนที่พวกเราจะออกเดินทางเราออกอย่างเร็วขนาดนั้นนะเพราะมันถ้าเป็นผมมากเขาเรียกว่ามันจะโหลดอยู่แรงคือจะออกอยู่แล้ว ที่เพ็ญก็ตั้งปัจฉริฐานว่าข้าพเจ้าออก 1 ข้าพเจ้าออกได้ด้วยแล้วออกไปแล้วปฏิบัติธรรมถึงธรรมมุ่งหมายที่เราได้ปฏิญญาไว้ 1 ขอให้มินิตในทางฝันประตามนี้จะรู้ในทางด้านภาวนาก็ตามให้เป็นของอัศจรรย์แล้วเอาความอัศจรรย์ในมินิตจะเป็นธรรมฝันประตามเป็นจะรู้ในทางภาวนาก็ตามเรายอมรับทั้ง 2 อย่าง ภาวนาทุกวันแล้วไม่เคยละเว้นสู่อยู่เลยถ้าออกออกได้คือว่าออกจากทั้งเรือนที่ผู้ใหญ่บางท่านไม่ได้แสดงผลอะไรก็ให้แสดงให้มีแบบนั้นแบบออกถ้าจะไม่มีผลให้เห็นเลยนะครับออกมาได้ด้วยแล้วไม่มีผลอะไรด้วยก็ให้เห็นอย่างชัดๆ3 ข้อด้วยกันตั้งสติถามนะเวลาว่าพระสมมุติสุธนาเราตั้งสติถามอย่างนี้ ก็นั่งภาวนาเพราะส่วนที่ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรนอนอ่าที่วัดบริวารมิว่านมุ่งใหม่มันก็ 6:00 น. แหละนอนแล้วไปตื่น 4:00 น. มันฝันอะไรคิดกระดานโอ้โหอาจารย์นี่ก็ทุกวันนี่คําฝันน่ะพอหลับลงไปแล้วมันฝันตอนเคลื่อนสว่างนะฮะคือตอน 4:00 น. ครับก็เพราะนี่ขึ้นอากาศนี่ พระราษธนากรหลวงแต่ไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพฯแล้วนะนครอะไรแต่กับอาจารย์เหมือนนครเทพเหมือนเทวสถานรหัษ์ว่าธนากร 3 ก็อนควันนี่มองสึกสายหงส์สายตามองลงไปเอ่อสุรามราชห้องมันเป็นเหมือนหอปราสาทอืมประดับด้วยทองคําด้วยเพชรด้วยคอยอะไรเนี่ยแถวคาไปหมดจนอัธการต้องทุกวันเลยนะ โอ้โหเมืองใหม่ที่เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เมืองที่เสื้อได้ถูกสร้างกับด้วยวัตถุต่างๆเหมือนมนุษย์ทั้งหลายสร้างกันขึ้นด้วยอิฐด้วยปูนด้วยไม้ด้วยคินเผาอะไรอย่างนี้มันไม่มีอย่างนั้นนี่เมาลงไปมันมันเป็นทองเหมือนเหลืองอลามกันหมดเลยแค่เอาค่ะอัศจรรย์ชมเหาะไปเรื่อยชมด้วยเหาะเราพระนคร 3 รอบนี้ชมเกิดความอัศจรรย์จนถึงใจเหมือนกันเพลินถึง 3 รอบแล้วก็ที่ลงนี่ ภรมัทที่ที่คือรู้สุดตัวเตลขึ้นมามันก็คงจะเริ่มเป็นปีที่ 3 น่ะมีฝันนี่นะรู้ตัวขึ้นมาก็เป็นปี 4 เวลาปี 4 พอดีโอ้โหมีพรรมก็ดีมีเต็มที่ละยังไงก็สําเร็จตามคํามุ่งหมายไม่สงสัยคํานั้นนี่เราได้ตั้งเป็นปฏิญาณอธิษฐานอย่างเต็มที่แล้วชิดแน่วแน่ที่สุดในขณะที่ตั้งปฏิญาณอธิษฐานไม่ได้ก็ก็แว่บฟังแค่นึงเราแน่ใจยังไงเรา 1 เราต้องได้ออก ถ้าออกหน้าเราก็ต้องเราต้องสําเร็จตามความมุ่งหมายของเราโดยไม่ต้องกังถ้าถึงถ้ามาแล้วมันมีธรรมดีชัยภูมิจะโอ้เย็นไปหมดวะนั่นพอฐานฐานะก็เขากราบญาติสําเร็จองค์เก่าทั้งเป็ดศาในเป็ดอ้วนมันตรงว่าเออก็จะพากันเที่ยวให้ไปช่วยธรรมอิทธิญาณที่วัดสุขทัยจินดาหน่อยนะหว่านั้นคุณเค้าเข้าใจว่าจะไปทางนั้นเนี่ยก็ว่าเราจะไปทางนั้นปัญหาแต่เราไม่ได้ว่าเราจะช่วย สักว่าให้เปิดท่านเปิดเราก่อนก้าวไปทางโน้นน่ะเออไปได้อ่ะถ้าว่างั้นเราก็เตรียมตัวออกเดินทางวันนั้นเลยนะถึงบ้านมังกรราชไม่ใช่มังกรราชมันจะเลยไปธรรมะสาที่จะตลาดนั่นจะทําการที่จะตลาดทําเพื่อจะตลาดในภาวนาเป็นเนตรเป็นหน่อพอตั้งแต่ออกไปตั้งหน้าท่านตาเอาจริงเอาจังคราวนี้เราจะให้เห็นจิต ที่เราปรากฏ 3 ครั้งนั้นให้ได้ทีเดียวคราวนี้จะไม่มันเป็นอย่างที่เป็นมาแล้ว 2 ปี 3 ปีที่ปรากฏของหนึ่งนี้ไม่เอาคราวนี้จะเอาให้มันอยู่มือทีเดียวมันออกมาก็เขาถึงเอาตังค์หนึ่งนี้ใส่เราไปหน่อยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีแต่ภาวนาทั้งนั้นเรื่องการเงินงานอะไรไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ได้ถึงก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นปรากฏเด่นปรากฏเรื่อยไอ้นั้นนี่ เล่นทําเครื่องทําเครื่องปรากฏเล่นทําเครื่องปรากฏต่อแล้วก็ปรากฏทุกขุนแนวแนวๆสมาธิเต็มนั้นฉันมาเผยน่ะไปเล่าให้ฟังเนี่ยเผยคุณจะคิดได้อีกความไปอยู่ในทางต่างๆนั้นฉะนั้นมันก็เริ่มดับเริ่มกล้าเป็นต่างๆถึงก็พันตาทุกเนี่ยโอ้คุณจะบวชมานี่พูดถึงเรื่องความทางผมทางร่างกายนี่ท่านท่านสาก้าวเหยี่ยงไปแล้วนั่นไปถึงพัน ไอ้เข้าภาษาจิตนี่หนักมากทั้งทั้งงานการนี่หนักมากทางจิตใจมันก็เข้มแข็งอยู่แล้วทั้งร่างกายมันหนักมากเพราะว่าเราได้นั่งอยู่ตลอดลุงตลอดลุงนะเออนั่งแต่ละคืนแต่คืนนึงมันเหมือนตายไปแล้วเพิ่นกลับคืนเพราะว่าพอเหตุใดค่อยให้ว่าจิตมันไม่ได้หยั่งใจทุกข์ทุกข์ครั้งไปที่เรานั่งตลอดลุงบางคืน 6:00 น. น, น, นยังลงกันไม่ได้นั่นแหละคือมันบอกทั้งมาก ค้นทั้งนั้นปัญญานี่แหละที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิเราได้จากการพิจารณาข้างหลังนี้เมื่อสติปัญญามันทันกับเหตุการต่างๆเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นแล้วจิตมันทุกขเวทนาก็ดับปึ๊บยังไม่มีอะไรเหลือเลยแม้ร่างกายที่นั่งโดดหรือว่าหายเงียบไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความมึนล้วนๆเป็นของอัศจรรย์นี่นี่ได้จากความเด็ดเดี่ยวอาศาลได้จากความเป็นกรอบทุกขเวทนามันไปซ้อนเราเหมือนกับเวลาเราจะ แลกกันถือผมนะแต่ถ้าติดปัญญาก็หมุนเบิกออกไปได้นี่เราถึงกล้าพูดว่าคนเราน่ะไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงข่าวจนกรอกแล้วมันหาทางออกได้ผ่านทางได้เราก็เห็นเรื่องของเรานี่เกิดขึ้นน่ะไม่ท่านยังไม่เข้าวันแล <ม. S 1> 3 เล่มใหญ่แล้วความเพียรเล่นก็ถึงไม่เผินไม่ทั้งกันเดือนเมษามาแล้วไม่เผินจนมาตั้งถึงวันศาลมันนั่งตลอดรุ่งมาไม่คาดคิดถึงเท่านั้นเอาใหญ่จริงๆเนี่ย ครับเหมือนกับปลูกอาคานนะอาคานเรื่องความเสื่อมของกิเลสคราวนี้จะเสื่อมไปก็ได้เสื่อมคราวนี้ให้ตายเสียเลยอ่ะเอาสู้กันขนาดนั้นทีเดียวไอ้เรื่องจะถอยนี่ไม่มีถ้ากิเลสนี้จะเสื่อมก็ให้ตายถ้าตายเท่านั้นแหละว่ากันยกควาดกันอย่างหนักคือเวลานั่งสมาธิลงโอ้โหอ่าทุกข์เวทนาถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายเป็นไหนนั่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันลงได้มันก็ไม่ไม่บอกท่านนะร่างกายของเรานั่งเวลาเท่ากันก็ตามสําคัญที่สุด คราวไหนที่พิจารณายากลําบากวันนั้นสุขภาพของเราโทรมมากทีนี้เพลียมากได้ปวดมากพอไหนที่พิจารณาได้อย่างใจพอกําหนดภาพได้ความได้ความพิจารณาไปปั๊บๆได้ความเกี่ยวกับพุ่งลงเลยพอถามขึ้นมาก็นึกพิจารณาอีกได้ความอีกได้เรื่อยตลอดลูกนี้มันรวมถึง 3 หมุนขวานมาถึง 3 หมุนตลอดลูกนี้มันแค่นั้นลุกออกจากที่ไปได้อย่างสบายเหมือนกับระมัยนั่งตลอดดุ่งถ้าวันไหนสดดีนะ ถ้าคิดไม่ดีนั่นสิคือปัญญาไม่ทันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นน่ะมันรู้สึกว่าครุกมากที่สุดท่านฐานะท่านก็รับบวชมานี้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นธัมมะเป็นธรรมา 9 ธรรมาทุกข์พอธรรมา 9 ออกไปแล้วประมาณเดือนเมษายนของธรรมา 9 ที่ด่วงกันแล้วฉะนั้นเราเร่งอย่างในทางออกธรรมาฉะนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งสวดรุ่งเลย มีเป็นความลําบากนี้จิตก็เป็นสมาธิได้แน่แน่ตั้งแต่ท่านจะท่านนั่งสมาธิตลอดลมด้านนั้นแน่แน่ขนาดที่ว่าเออต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมนั่นรู้นะรู้นี่จิตมันเหมือนกับมันขึ้นพรรคเป็นพรรคของมันปั๊บก็ติดกันปั๊บไม่ตกถึงไหนไม่เสื่อมมันแน่ก็ไม่เต็มจริงๆจนเต็มไปข้างหน้าเต็มที่ไปสูงไปมันก็ตีนตกตีนตกถ้ามันยังไม่ได้จังหวะมันไม่ได้ที่ของมันมันไม่ทํานาน เป็นยังไปตกมาพื้นไปตกมาพอฟรีนี่เราเป็นที่เป็ดปั๊กปั๊กถูกไม่เปลืองเนี่ยมันรู้เป็นชัดนะเป็นทั้งทั้งมันแต่ใครจะมาขวางก็ไม่ได้นะส่วนการเรื่องความคิดของใครทั้งหลายจะมาขวางไม่ได้งั้นทีนั้นต่อจิตมันเป็นสมาธิแน่วอ่ากําหนดเมื่อไหร่เป็นธรรมที่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิอยู่ตลอดจิตตั้งขันธ์ได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหินทั้งภูเขาทั้งโลกในจิตมีแน่นปึ้งอย่าง แต่มันไม่ออกทางปัญญามันสุขสามารถที่มีเสียที่ได้พ้นทางนั้นปัญญาเมื่อได้รับการดุด่าว่ารากการจากพ่อแม่ผู้การมั่นอีกแล้วออกพิจารณามันเมื่อออกพิจารณาค้นคว้าก็สมาธิที่มันพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ปัญญามันไม่ทํางานนี้เฉยเพราะงั้นมันจึงเป็นปัญญาให้ไม่ได้นี่เราก็แน่ใจว่าสมาธิจะเป็นขนาดไหนก็ตามเธอถ้าลงไม่ได้ใช้ปัญญาออกคิดแล้วสมาธิจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้เองนี่ไม่มีทางว่านี่เลยเนาะเราเชื่อ พอละติดสมาธิมาเรื่องเป 5 เป็น 6 ปีพอออกพิจารณาเท่านั้นมันก็คล่องแคล่วพิจารณาอะไรก็ก็จิตไม่กังวลกับอะไรนี่จิตมันอิ่มตัวจิตที่มีสมาธิจิตมีความสงบก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวไม่หิวโหยอะไรกับอารมณ์อะไรรูปเสียงกลิ่นรสรสทั้งปันธ์ไม่มารุ่งมีแต่ความสงบจิตเย็นใจอยู่ตลอดเวลาเฮ็ดเวลาแล้ว อ๋อทางด้านปัญญาก็พิจารณาในเนี่ยน่ะเนี่ยน่ะมันเป็นหน้าที่การงานเนี่ยนั่นจริงๆมันไม่ได้สนใจอะไรตั้งหน้าตั้งตาทํางานนั้นจริงๆเพราะมันหิวมันโหยมันมีอะไรมาแยกมาคืนเอาจุดตรงนี้ไปด้วยความหิวโหยนะมันไม่นี่มันก็พิจารณานั้นก็รู้แจ้งเห็นชัดโดยลําดับลําดับเอ๊ะกับคนกับคนข้างๆตอนนั้นมันก็คุ้งเลยอ้าวแล้วปัญญานี่เราที่หน้าที่เริ่มจะคิดปัญญาทีแรกมันต้องรู้ทุกครั้งอย่างนั้นแหละครั้งต่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาด้วย <cle an releases ız> ตามพอมีข่มเขมอยู่ทั้งนั้นไม่หยุดไม่ถอยไม่ละไม่ถอยไม่วางเป็นอย่างนั้นจนมันกายไปด้วยปัญญาน้ําเป็นน้ําซ้ําน้ําซึมไปเลยคือไหลหลินอยู่ทั้งแล้งทั้งฝนน้ําซ้ําน้ําซึมไปเลยพอสติปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นคุณค่าของสติปัญญาไปแล้วกับผลของสติปัญญาที่ทํางานขึ้นมาและการแก้เสียเด็ดตัดที่เด็ดให้มันตัดด้วยปัญญาทั้งนั้นเนี่ยคือสมาธิเป็นในเทอมร่วมส่วนที่เด็ดก็มาอยู่ด้วยกัน เข้ามาร่วมเข้ามาในวงแพทย์ทั้งนั้นแต่มันไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้มันรู้แต่แค่ข้างนอกเป็นปัญญาแค่เดียวเป็นผู้ชำระหรือปัดกิเลสได้เป็นประเภทๆอัตตาโดนหลอกคนไปกับกับใจที่มันก็หมุนอยู่อยู่ที่มันมีกําลังงานคนเรื่องหลักการในการสภาวภาพตาอสุภะลักษณะนี้มันเด่นมากสําหรับผมเองอสุภะนี้เด่นมากที่เรียกกําเนิดกายของเนี่ยมันเป็นหมานไม่มีเนื้อแต่เนื้อแดงโลหะ อาการกรรมเนี่ยฉะนั้นก็ทํากันลงไปนี่เอาแต่ล้างกระดูกก็โนดแต่ล้างกระดูกให้มันขาดกันนี่ขาดกันไปโดยลําดับหน้าๆกลองอยู่ในดินทําด้วยเดียวของปัญญาอย่างนั้นมันยิ่งเร็วมันก็เพลือกเรื่องการฝึกฝนอดทนเนี่ยนานตามนี้คร่อมต่อไปเหมือนเช่นนั้นเขาฝึกหัดมวยเหมือนกันเป็นแชมเปี้ยนสําเปิ้ลมันไปจากระบบลูกคานนั่นแหละอืม เมื่อข้างตัวแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นทีนี้ก็เหมือนกันพอติดปัญญาเข้าไปแล้วที่เล่ห์มันก็อ่อนกําลังลงไปอ่อนกําลังไปเวลาเราพิจารณานั้นมันเหมือนโลกไม่มีนะมันมีแต่งานของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกได้เลยจิตไม่ส่งไม่ทายไปไหนข้างหน้าข้างตาทํางานทําด้วยความสนใจทําด้วยความอยากหรืออยากเห็นอยากเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆแล้วมันก็พ้นไปไม่ได้เมื่อจิตมันจดจ่อแล้วมันก็เหมือนกับน้ํามันไหลพุ่งลงทางเดียวมีกําลังมากจิตมีหน้าที่ที่จะรู้อยากเห็นจะพิจารณา <tuck S 2> บรรดามีหน้าที่ที่จะพิจารณาเป็นผู้รู้การเห็นตามปัญญาเป็นห้องเดียวห้องเดียวห้องเดียวหักทะมึนทะมึนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็พลุก็ได้มันเรียกจริงๆก็คือเรื่องกามราคะถ้าว่าเป็นนิสัยทุกเอาเขากินนี่ยังไงก็ต้องสําคัญตัวเองพอไปถึงขั้นมันเรียกขั้นมันมันนอนตัวมันมันหลบก้อนเยอะฟ่านจริงๆ ทำมาหาแต่ก็อาศัยสติปัญญาคุ้ยเสียขึ้นมาจนได้จนเห็นพรรคแล้วฆ่าได้เนี่ยมีอันนี้นี่เป็นเสน่ห์ลับแล้วพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นหมายทุบปฏิบัติท่านระยะเข้าไปก่อนนั้นนี่ก็คืออวิชชาอันนี้ก็เสน่ห์ลับสําคัญอีกเหมือนกันทําให้ติดได้อย่างงามไม่รู้ตัวเลยล่ะอ่าอวิชชายิ่งซ่อมได้สนิทอืม ต่ออำนาจกับขั้นสติปัญญาที่เป็นอนุมาตให้นอนใจผมมันมาโชนเกิดขึ้นมาอันนี้มันหมุนตัวรอบเวลาเดียวก็มาลูบก็มาสะดุดกันมากสะดุดแล้วก็หมุนสิวเข้าไปในตัวนั้นก็พังมันลงทลายไปเลยนั่นน่ะพี่มีอะไรเหลือนั่นน่ะเรียนโลกจบๆตรงนั้นมาเรียนสมมุติจบๆตรงนั้นจบตรงอวิธาพังทลายลงไปจากใจไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ทรัพย์ที่บริสุทธิ์จํานวนวงวางมันมีอะไรเป็นเครื่องหมายและมีนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายทางอารมณ์จิตใจเลย พระมันมีทั้งหมดเนี่ยในในนี้แท้นั่นน่ะอันนี้น่ะเรียนจบนะเรียนโลกจบกับตรงนี้เรียนธรรมจบกับตรงนี้โลกกับธรรมอยู่ด้วยกันเรียนโลกจบเรียนธรรมธรรมจบโลกทั้งทั้งนั้นไปสู่ทางถึงอวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็เป็นสมุททสมุททเค้าเรียกเค้าเรียกว่าโลกได้เหมือนกันมันก็มันเป็นสมุททนั้นเรียกว่าโลกของนั้นแหละเนี่ยทะปแยกับปายแยกกันเอายังมาเข้าใจถึงที่เหรอเนาะหมดไม่มีอะไรเหลือเลย นี่แล้วแต่ความวังวางเป็นอุตตระเสรีเอ้าดูอะไรดูได้เต็มหูเต็มตาคังหน้าทุกอย่างใครจะมาตําหนิว่าดีกว่าตามชั่วกว่าท่านลูกจะเป็นลูกที่ดีที่เลวที่สวยที่งามทางไหนก็ตามดูได้หมดที่นี่นั่นแหละเรียกว่าอุตตระหูตาก็เป็นอุตตระเข้าใจเป็นอุตตระหูตาเป็นเพียงทางเดินของใจเท่านั้นดูนั่นรู้ถึงซึ่งเสียงเสียงรถต้นทั้งหมดมันเป็นทางเดิน ของใจออกมาไอ้ราคาใครใครใหม่นี่ก็ออกไปสวยแล้วข้างนอกผู้เขียนขึ้นต้นคําถามเนี่ยคือการปล่อยวางหมดเตราวมันสมมุติกับวิมุตติน่ะมันไม่เข้ากันเนี่ยมันเป็นอยู่คนละข้าแล้วทํายังไงก็อย่างนั้นทําว่าคนละข้านี่ตรงตรงพอเปรียบเทียบกับคนไหนเถอะนะจุดนั้นเราก็พูดว่าภาคนั้นฟังนี้ไม่ได้รู้เด่นมีงั้นน่ะแต่เราจะวัดลักษณะได้มันพูดไม่ได้อันนั้นมันไม่เป็นสมมุติ <Yeah. S 1> สมมุติละฟาเซตอย่างง่ายนะฉะนั้นท่านก็ยังบอกว่าสิบริสุทธิ์เนี่ยก็ไปสมมุติเหมือนกันเข้าไปเกี่ยวข้องกับธนาคารนั้นนิพพานบ้างเน้อวิปัสสิตวิปัสสิตบ้างถ้าไม่แต่ชื่อแต่ให้ชื่อแค่นั้นน่ะตัวจริงจริงไม่เป็นอย่างนั้นในโลกมันมีทั้งหมดต้องคั่นคุยหมายป้าฟังแล้วไม่เข้าใจกันเพราะว่าเมื่อรู้ตัวเองแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อให้สนใจเหมือนกันละกันอื่นเป็นชื่ออย่างนี้อ่ะคุณมีลักษณะ <c oughs> ถ้าท่านคนอื่นอาหารครับอื่นนั้นเป็นลักษณะยังไงไม่จําเป็นต้องถามใครไม่จะอธิบายอธิบายไม่ถูกทางคนต่างคนอื่นด้วยกันน่ะมันก็รู้เรื่องของกันเองรู้เรื่องของตัวและก็รู้เรื่องคนอื่นแค่เท่านั้นน่ะอ่าสัญญาอธิบายให้เห็นเรื่องทั้งหมด